50 languages. 23. การเรียนภาษาต่างชาติ p a a b h a s h g a a n u kaliyu u u คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนค n i u e l l i Spanish k a l i t i r i คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะน i วูปอร์เชกิสภาษามาตานาดุตตีระค่ะและดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะฮาวุลอ ta ียสามาตนาบัลเลดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมากนันเกนิวูตุ้มชินนาเกมาตานาดุตีรีเอนิสุตเตด ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมากอี่ภาษเกลละบะุตเอกาวนเดตรหาอิเวดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดีนาหนูอวุกเกลนิลล่ะเช่นนั่งีอัตมาดีก็เลบเลแต่การพูดและการเขียนมันยากอาดเรมาตนาดูวุดูมัตตูบรเยวุดูคุชต ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมากน้านูยินุสหาตุมบาตัปปุกันนุมาดุตเตเนทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะได้ยินตูนั่นนัตปุกันนูยาวากลูสริปดิสีการออกเสียงของคุณดีมากนิมมอุจารนเนสากัชตุเชนนากิเด คุณมีสำเนียงนิดหน่อยนิมม่ามาตินาธาทิอัลลีสวลปะเวทย์ยัสัยเดคนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหนนิวเยลินดาบันดิตีรีเอมบูดูเจนาริกเกอโกตตาโกตเตเดภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะนิมมามัตรุภาษายาวุด คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะนิวูภาาตระ ก, กูลกลิกีฮกุ ต, ตีระคุณใช้นังสือเรียนเล่มไหนคะนิวยาวาปตเตปุสตะกัณ น, นุอุปยกิสุ ต, ตีริตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้คะ่ะปตเตปุสตะกักดาเฮสรุนานเกศดยเดลลีเนเนพินลลีอิลลา ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะปัตยปุสตกดาเฮสรุนันเกตน้าปักเกบรุติลดิฉันลืมไปแล้วค่ะนานูอดนู้มารีตุบิตติเดเน